มันนี่ลูกหลานในมาทําบุญเพื่อนอ้อมคิดอุทิศโชนกุศลถึงญาติโกโฮติกาพ่อแม่ปู่ย่าตาใหญ่ยแล้วก็พร้อมกันนี่ก็มืัอนี่เป็นวันสงกรานวันที่สิบสเมษาห้าหนึ่งมิญ า, าติพี่น้องลูกหลานออกตนญาติโยมมาทําบุญมันนี่ก็คงจะทําบุญอุทิศโชนกุศลถึง พอแม่ปูยาตายาย่า่ไม่ออกลูกหลานมันก็มาพร้อมกันจะสรุปเลยคือคงจะในแนวแถวเดียวกันที่พวกเข้าเป็นลูกเป็นหลานแต่มาทําบุญอุทิศส่วนกุศลถึงพอแม่ปูยาตายายา่เป็นประเภทนี่วันสงกรานนะวั่นสงกรานเป็นวันที่ร่วมญาติเป็นวันที มาพร้อมเพียงเฮี้ยงนากันแต่ข่ามือนี่รู้สึกว่าศรัทธา ญ, ญาติโยมออกตนลูกหลานทั้งหลายหน่อยเหมือนเีบ่หลายแต่ว่าเคืงสาร่าเกลื่อนะวะเป็นอย่างายังบ่หลายเพราะว่าวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาที่เขาเห็นลูกพระพีนั่งเธออยู่ทั้งนาเนี่ยชาวยังเพอนายุ่งท่านนายังเพอเป็นประท่านนะคะัานาส่วนราชการ ทุกหน่วยผู้เยี่บานกำนั่นอบตอได้มารวมกันทำบุญถวายพระราชกุศลขอบรอบรอยว่นของพระพีนั่งเธอเมื่อวันที่11ทีพานมาเน่ยพนเพราะนั้นชาวอำเภอหน้ายุง่งทั้งมัดวนไปมาว น, านจนแน่นสล่าเลยวนไปแล้วก็พ่อทำบุญตอนเช้า เซ็ตแล้วตักบาทแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลพระสงฆ์อนุโมทนาใหาพ้พรอนฉันเซ็จแล้วก็เป็นจบภัยให้อันดับหนึ่งแล้วก็พ่อสายขืนมากกับมือนั่นแหละเขาประกาศให้เป็นต่อเนื่องกันถือว่าอำเภอนายุทานน่ทนได้อมเภอเป็นประท่านเป็นก็เลยทำปิดที่มดุดหนามดำหัว มือหนั่นเ็หน้าไปติทําพิธีในวัดหลวงพ่อเนี่แห ล, ละเพราะนั้นเช่าอําเภอนายุง่งทุกหมู่บ้านที่บ้านมือหนั่นมาเมือ่อที่สิบเ็กันลดน้าเป็นจบพิธีพอเมื่อหนี่งก็ถือว่าได้เฮตุแล้ว น, นะไปได้ถือว่าเป็นเหตุแล้วก็คงจะบวมมาวันที่สิบสามก็ดีคือกันถ้าหัวบามามือหนีมัดก็คงจะ แน่นขึ้กันนั่นะทะย่อยทย่อยมากสันดีขึ้กันนะลงพอวานะแต่ว่าถึงยังไนถึงจะทำชาทำเร็วก็คือส่างคุณงามความดีเป็นการแสดงออกซึ่งนามใจแสดงความกระตันยุกตะเวทิตาแสดงออกซึ่งความคารวะนอบน้อมหมุดน้ามดำหัวถ้าหวะครูบาอาจารย์พระอยู่ในทองทิ้นของเฮ้า เป็นที่เคารพนับถือก็ไปกราบคารวะในทองทิ้นนั้นนั่นมเมนติมาดมองเดียวเราไปนองทองทิ้นนั้นๆอันนี้เป็นประเภทนี่ถือกันมาตั้งแต่โบรานนาการจากนั้นก็ไปคารวะไวยวุฒคุณนวุฒคุณนวุฒก็คือผููใหญ่ปกคล้องในทอ ง, ทองทิ้นนั้นไวยวุฒิก็คือผู้เถาวผู้แก ผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่ทองทินนั้นๆนลูกหลานเป็นถี่ย่อมรับวรรณไปในทองทินนั้นๆนลูกหลานก็นเขาไปหมุดหนามดาหัวไปสงหนามเพลิเพื่อเป็นชลิเพื่อเป็นมงคลคือความลําลึกถึงอันนี้ลงพอว่าโบรานเพิินถ้ำถูกต้องแล้วเป็นการเชิดชูบูชาผู้ทีทําคุณประโยชน์ในทองทินเป็นผู้ มีบุญคุณในท้องทิ่นลูกหลานทางหลายในเกิดมาในทองทินนั่นก็ควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถูกตามรักพระธรรมข้ามสังสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ไปว่าวัฒนธรรมที่ดีแต่ว่าทําไปยายมันเลยเถิดเลยแดนเท่านั้นนะบางคนก็เอาเรื่องนี้เอาเรื่องที่เป็น มงค้นหรือว่าเป็นเรื่องที่ดีนี่เอาไายไปเป็นอัปมงคลไปซะจากนั้นมากเลพ่อมุดห น, น้ามําหัวเข้าลบครวะผู้เฒ่าผู้แกมากเลยเออเอาเหล่ามากินเอาให้โลมาตบป่านนี่อันนั้นบ่ดีละออกนอกลูนอ ก, นอกทางละออกนอกเส้นทางละขันขันลูกหลานเฮ็ดจังสั่นวันนั้นไปพอกินเหล่ามากเมาเข้าไปแล้วครับ จักสูงหจักต่ำ ะ, ะนะกกายไปในทางที่บ่ถูกต้องอีก่านะเเผอๆทําความสั่วสาเสียหายคืนมาอีกได้อีกคนเมาแล้วมันขาดสติแล้วเหตยังใดมัดบ่ยังใดมดด่าไผ่ใดมั ด, ด, ไไ ด, มดขนาดตัวเองเส้ใสเส้สขวาที่โมหุจักตะนหุนทางยู่แล้วกัว่าตัวเองเก่งเพราะเหตยยุไดเพราะมันขาดสติ พ้นที่สุดกับปีนขึ้นพวงมาไล่คาบรถส้นนาส้นหลังไปละบาดเฮอจนเขาจับเขาใช้กองแขนขึ้นไปจึงหงจักว่ากูเมาไหลคนน่ะออกทางเมาได้บัตรเฮอกูเมาไหลคนว่ากูบอกหงจักในช่วงนั้นเขาหงจักที่แล้วกินเหล้ามันก็เมาไปหากินให้ยังล่ะขั้นกินน้ำซื้อไกูงจักกิกนน้ำแล้วมันบ่เมาขั้นกินเหล้าเขาไปแล้วไปว่ามันสิบบ่เมา ตั้งแต่หกหลวงพ่อน่ะเอามาทุกกินเข้าไปทุกบวบวเลือกพระเลือกสงฆ์เราไปบวเลือกหลวงพ่อน่ะกินเข้าไปแล้วเมาหมดน่ะกานว่าพวกเขากินเหล่าเมาคู่คนในสรานี่ออย่างเมาอย่างเต็มที่เลยเป็นยังไงไอพวกเขาเบวงโนเป็นบาตเต็มสรามันน่าดูไหมนี่แหละให้เข้าขึ้นบังคับลูกหลานออกตนหยาดโยมพยายามสั่งสอนลูกหลานของเข้าให้เป็นคนดีให้มีสติสัมปชัญญะ ในช่วงนี้เป็นช่วงสงกรานต์หลวงพ่อเคยบอกกล่าวมาทุกปีก็ให้เบิ่งพ่อเบิ่งแม่เนอร์เบิ่งปู่ญาตาย่าเด้อพอเพิ่นเลี้ยงเฮามาเฮาที่เพิ่นเลี้ยงเฮ้ามาแล้วเฮ้าขอขวรจะทดแทนบุญคุณของเพิ่นเพิ่นเจ็บไข้ใดป่วยอย่างไรสุขภาพร่างกายเพิ่นเป็นอย่างไนปัจจัยซีเสือพาอาพรอนเพิ่นที่พักผ้าอาศัยเพิ่นเป็นอย่างไร สี่งเรานี่พวกลูกทั้งหลายพวกลูกทั้งหลายลูกหลายๆคนให้หันหน้าเข้าหากันควนเทตุเร่างไหนให้พอให้แม่ทีเท่าแก่ชะล่าให้เพิ่นได้ใส่ยัยงลงพอไปพบเจ้าน้าผู้ใหญ่เมื่อกี้นี่ได้พบกันโดยบังเอิญบรรดาไปเพิ่นกนได้เอวให้ฟัง อ, งอายุตัวของเพิ่นกับแปดสิบปีแล้วาไปอายุแม่ของเพิ่นหนึ่งเก้าสิบแปดปีแล้วบรรไป เพิ่นว่าเพิ่นเห็ดเ่ล้าลูกกงไว้มดในบาน mm. แล้วก็หุ่มน่วมพร้อมหุ่มเบอ้อไว้บ่กานว่าหกลมขึ้นมากกบะบอหลมถูกผืนหัวกระแทกเล้า ว, วนำไปอันนี้เป็นอาทีของลูกของหลานทั้งหลายช่วยกันดูแลผู้สูงอายุเข้าจะไปถิมผู้นั้นผู้นี้บ่ได้ว่ารไป อันนี้หลวงพ่อในฐานะเป็นหลวงปู่หลวงตาอยู่ในทองทินเป็นที่ลูกหลานมาให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อหลวงตานก็สิแนะนําสั่งสอนลูกหลานเนี่ยให้หูจักสูงให้หูจักรทำเน้อลูกหลานเน้อต่อไปไพ่ภาคนาลูกหลานก็จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ขึ้นกันนี่ล่ะกับพ่อแม่ของเข้าลูกหลานเลนก็สิได้ยึดเป็นแนวแถวประพฤติปฏิบัติต่อไปไพ่ภาคนาพวกเขาก็จะร่มเย็นเป็นสุก บอแมนตัวเองอีกอย่างเอาแต่ใจของตัวเองทำให้พ่อแม่นักอกนักใจมี่แต่งแต่ทำให้เพื่อนนักใจร้องหม่มร้องไห้กับเจ้าของบาดทาตัวเองได้ลูกได้เต่ามาบาดนี่ถาเบึงเขาสเฉล่นงานเจ้าของบาดานแล้วเจ้าของที่นั่งเอาหัวเขาเ็จนำตาเจ้าของนะเป็นยังไง น, นะหูจักลนะ่ะมันสายเกินไปเสีแล้ว ถึงขนาดนั้นมัดสายเกินไปเสแล้วเพราะเหตุใดเพราะพอ่อแม่ก็ตายไปแล้วกรรมตระหนักมาตกใส่เจ้าของจึงสํานึกได้เกินไปแล้วนะเพราะนั้นสิ่งโมนีเขา้าเขาคืดไว้ให้ดีก็แล้วกันการแสดงออกซึ่งความกตันยูเนี่ยเป็นคนดีในชุมชนสังคมให้รักของพระพุทธศาสนาแล้วแสดงออกถึงความกระตันยู่เนี่ย เป็นนาทีของพัวเข้าทุกทุกคนลูกหลานทั้งหลายฟังไปเนอะแต่ก็พร้อมกันกัญญาลืมศีล่าลืมทำเกิดป้าแล้วตายอิหลีผมมีพลไดจียูคำฟ้าไดหลวงพ่อเนี่ยคือกันนะวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาเนมื่อนดี๋ยวันที่สิบสามเมษมาละวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาเนี่เป็นวันเกิดของหลวงพอ่อออกตนญาติโยมลูกหลานขั้นพลไดว่างกับปากินข้าวต้มข้นม ลงพอเนี่บรจัดงานเนะบอมี่บัตรกัดเชิญทั้งหมดวนลไปบอมี่ที่ผ่านๆมากลงพอบรไดิถือว่าวันเกิดเป็นวันสําคัญวันใดก็สําคัญมัดทางว่าปวกข้าทําคุณงามความดีขันว่าข้าเทิดความส่วนวันใดก็บรสําคัญอย่างลงพอเลยใช่เออมื่อวันเกิดลงพอว่าถือว่าเป็นวันสําคัญลงพอไปกินเหล่าเข้าไปดาจะสู่สะไส้เตะสู่สะเออทําความส่วขึ้นมากจเป็นวันมงคลใดจังไหน ก็เป็นวันอภะมงคลขึ้นกันถึงจะวันใดก็ตามทวัดสางคุณงามความดีทำคุณงามความดีแล้ววันนั้นะเป็นวันมงคลมหามงคลเพราะนั่นเป็นไงลุงพ่อยังจัดก็พอเขาลูกหลานเขามาถือว่าลุงพ่ออินมื่อเกิดมื่อวันทีเท่านั้นลูกหลานกแแหรลังไหลกันขึ้นมาแแหรลังไหลขึ้นมาเหตุอย่างไรบ้านลุงพ่อก็จะต้องเตรียมบอกกาวหยาดโยมผูอยู่ไก่เชิดเออเตรียมอาหารเรียงลูกเรียงหลานเออ หลุกหลา้านสิมางานวันเกิดหลวงพ่อเวันทนะี่7่เจเนมือแรงกมีการไหวพระสวดมนต์หลวงพ่อก็บที่ทักท่ายครับออกตนหยัดย่มมาจากจาตุรทิศ ต, ตอนเศร้ากับไ้บาทแลททำบุญทําท่านครูบาอาจารย์ไฟพระสงฆ์สีมาหลายอยู่เดาะอันนี้ก็คือหลวงพ่อก็จะได้ปฏิบัติตามกาละเทศะไปสรุปแล้ว ปฏิบัติตามกาละเทศะคันทําว่าออกตอนหยาดย่อมลูกหลานมาลายต่เฉยบอดได้สนใจ บ, ใจบอดได้คิดอีหยังมั่นก็บบอถูกขึ้กันนะอลงพอก็ตําหนิลงพอได้ขึ้กันว่าทําบอถูกควไหเปลาอพอนั่นลงพอก็บทว่าเอาลงพอจีจัดงานเนะอะลูกหลานเนอะวันยี่สิบเจ็ดลงพอจีจัดงานมั่นเกิดเนอะก็บอถูกเขื่อนลงพอมีอย่าง ทงมอทำมากค่าขายอย่างล้ำลุวยจังไหนจึงจัดงานวันเกิดลูกหลานก็จะได้ตตำหนิหลวงพ่ออีกอทํำให้เดือดร้อนบุญไหว้แพ้ขอเงืนค้าทรัพย์สมบัติมาจัดงานวันเกิดหลวงพ่อเห็ดจังสันถือบอ่อหลวงพ่อกับพี่หน้าเบิ่งเจ้าของก็บอ่อน่าจะถือขึ้กันวนไปแต่หากว่าหลวงพ่อบอกประกาศไปออกตนญาติโยมลูกหลานล่างไหลมาก ลงพอบอเลี่ยงบลเกือบบลตอนรับครับสูบมันถูกบลมันก็บอถูกวันนไปนะอันนี้ลงพอก็เลยปล่อยไปตามธรรมชาติปล่อยไปตามธรรมดาลูกหลานสิมากก็มาเดอ้อเหมือวันที่ยี่บเจ็ดบมากลงพอก็บลวายยังรักนับถือเมตตาอาลีอยู่คือเก่านั่นละถึงจะมากไกลมากไกลขันว่าลูกหลานเป็นผู้ทำคุณงามความดีอยู่ไก่บรนไดก็คือลูกหลานของลงพอ่อ ขันว่าเหตุความสัวซาละมกขึ้นมาที่เกาะผ่าสบงลงพออยู่ก็คือคนสัวนั่นไปลงพอครบปอไดรับบอไดนั่นไปความสัวของค้นเนี่ความสัวก็คืออย่างคือสิ่งสกปกคือสิ่งมันห่อนนันไปไพจุยู่ไก่ไไฟมันห่อนนันไปสกปกก็คือกันมันเปื่อนมันเหม็นลงพอเขาบอยู่ไก่ขึ้นกันลงพอกันหนีห่างขึ้นกันขันเอาว่าคุณงามความดีแต่ถึงจะยู่ ขอบโลกจั ก, กรวาลยู่อเมริกาอังกฤษยัยงก็ตามทวารส่างคุณงามความดีความดีเนี่ยก็ช้อยมากหอมมันออกไปความหอมคุณงามความดีเนี่ยพัดไปในทิศในทิศ ท, ทั้งสี่คุณงามความดีของค้นกลิ่นหอมผู้ที่ทําคุณงามความดีหอมไปในทิศ ท, ทั้งสีกินดอกมะลิกินจันท์กินดอกไม้ ของหอมทั้งหลายหอมได้ไปได้แต่ตามล้มทวนล้มบ่อได้แต่ว่ากินศีลกินถ้ำกินสางคุณงามความดีของหลูกของหลานเลยหอมไปได้ทั้งทวนล้มและตามล้มเพราะนั้นหลวงพ่อถึงจะอยู่เป็นหลวงปู่หลวงตาพวกลูกหลานทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายท้ำคุณงามความดีอยู่ไซนะหลวงพ่อได้ยินเลยครับปื๊มปีติยินดี กับการสั่งคุณงามความดีกับหลูกกับหลานคือกันเพราะนั่นลูกหลานอยู่นสถานที่ใดนะหลูกหลานของหลวงพ่ออินนะอย่าไปเหตุในสะิ่งที่มั่นบอดีสั่งคุณงามความดีใส่จิตใส่ใจเอาไว้ให้บำเพ็ญคุณงามความดีเอาไว้ให้รักษาศีลเพราะวา่าหน้าวายพระสวดมนต์เอาไว้สิ่งใดที่มันจะหายจะนะสิ่งไหนที่มัิติดคุกติดตะล่างคดโกงป่นจี้ จริงถี่มันบอดียาเห็ดทนไปขั้นเฮ็ดไปแล้วบอดีเออาอัปมงคลถือเขาสู้พวกเข้าขั้นเขาไปสู้ไปแล้วบอดีหลวงพ่ออินไดงยินมันไปอ่หลวงพ่ออินแดงยินหลวงพ่อก็สีเสียใจโอ้ลูกหลานบน่าเห็ดยังสั่นเนะเาะเผอเผยยังแลนขอดหลอดมาหาหลวงพ่ออีกหยาดพี่น้องหลงพอซอยแดงผะว่าจ๊กสีซอยอยังไหนมันลงไปซอยคนชัวเออ ของูจักกี่หล้วมันสัวก็จะไปหาเห็ดมันแม่เท่า น, นั้นแหละเอาไปอขายยาบะยาหมาขายกัญชายาฟินเอกินเหลา่าเมายาป่นทีคโคดรโกงหูจักอยู่แล้วแ ก, แกจิตแกใจอย่าไปหาเฮ็ดลูกหลานเฮ็ดที่มันที่มันดีคันธวะเห็ดดีแล้วนั่นละ่ะความดีนั่นแหละจะคุ้มคล้องพวกเฮ้าถึงกิทุ ก, กี่จจนขนาดใดมันก็ทุกจนในระดับหนึ่งคนดี พยายามให้ขยนันมันขยนันส่องหาช่องหาทางทรรมาหาเรียงฉีพเดี๋ยวมันก็จะจะเกี่ยตะกายขึ้นอ่ะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนไปเนี่ยพราะเหตุใดเพราะว่าคนดีไพ่ไพ่กระต้องการไพ่ไพ่ก็อยากคบข้าสมาคมเขาเป็นคนดีก็พร้อมกันกับข ย, นขยนันขยันไปในทั้งที่ถูกต้องอีกธรรมาค่าขายอีกวนไปบ้งง้อมือง้อเท้าผลที่สุดมันก็จะเลืิญไปใดเท่านั้นแหละคณะว่า เป็นคนดีก็จริงยุตข่ขีค้านคนขีค่านโมเมนคนดีเด้เอเรียกว่าคนขีค้านเรีว่าคนดีได้จังไหนคนดีมันก็ต้องขยันมันขยันอดทนให้มีสัมมาคารวะรมู้จักสูงหมู่จักต่าให้เคารพปิดาม่านดาอย่างหลวงพ่อเด็ ก, กล่าวมาเบื้องตนนั่นนะี่แหละให้มีศีลมีธรรมข้าว่าเป็นอย่งสั้นได้หลวงพ่อว่าความสุขความเจริญก็มาสซู ลูกสู่หลานระบาดเต่อไปตราบเท่าชะล่าเมื่อเขาเท่าแกชะล่าไปก็เป็นคนมีศีลมีธรรมดำลงชีวิตชีวิตของเฮาก็จะราบรื่นมองยอดลังก็สบายใจมองไปทางหนาเออผู้ขาจะถึงจุดจบของชีวิตมือใดแต่ข้าพเจ้าจะสางคุณงามความดีต่อไปจนถึงจุดจบของชีวิตนะนี่แหละห้บอมเพน ท่านศีลภาวนาเขาสู้จิตสู้ใจหลวงพ่อว่าชีวิตของเขาจะราบรึ่นนะวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวเป็นภาษาทางพื้นเมืองของเข่าเพื่อตักเตือนลูกหลานหาาิโยมทุกขุกทุกคนทั้งผู้เฒ่าผู้แกเป็นผู้เฒ่าผู้แกใก็จะไปใจหยากเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกแนวไหมันบริยาเฮ็ก ผู้เฒ่าผู้แกไปหากินเหล่าเมอาอย่าฝอนติงเยียงฝอนตั้งย่างเอในถนนโหนทางนำมากหน่อยปากหน่อยหนาหน่อยหลังมันบอแมนแนวเลยเบิ้งหลังมันบองงามมันไปมันบอแมนวัดธนรัมที่ดีวันธรรมที่ดีนี่ผู้เฒ่าต้องอยู่ในกิริยาอาการสงบพอลูกหลานก็จะได้ไปกราบไปไหวไปยกมือไหวหรือความเต็มอกเต็มใจสนิดใจวัเราไปพอลูกหลานไปเห็น พอปูแมียยาของเจ้าของอยู่ในกรอบกิริยามารยาทที่ดีแทนธรว่านลูกเต่าของเห่าพอแม่ของเห่าเห่าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ไปหากินเหลา่าเม่ายาฝันตึงเงยงนตังอย่างจะให้เขายกมือไหวเห่าใดจังใดอนอะต่อไปก็จะดูถูกว่ า, วาลูกหลานบ่เข้า บ, บ่ยำเก่งเจ้าของแล้วก็บ่เบิ่งเจ้าของอีกป่านเจ้าของไหนซั่วป่าน ผเผอเพอชั่วให้กวาดมาเป็นอย่างเงี้กวาดไม่กินเหล่าเมาแล้วเป็นน้อนคางถนนหมาเลียปากก่อนออกไปเป็นอย่างสัน่นบ๊เบิงนู้เบิงเจ้าของนู้อันนี้ให้เบิงเจ้าของเนี่ยไอ้ผัวเข้าให้เบิงเจ้าของก่อนออกไปเบิงผู้อื่นน่ะมันเห็นความผิดผู้อื่นมันบ๊อบเห็นความผิดเจ้าของคันเบิงเจ้าของจะเห็นความบกพ่องเจ้าของเออกูเป็นจยางสี่เออมันเพราะเหตุใดถูกหลานจึง บ, บ๊อบ เขาลบนักจำเก่งกูนพราะเหตุใดฟังเบ้าไปแล้วลูกหลานบ่ให้ความนับถือเป็นเพราะเหตุใดซิ่งโมนี่มันต้องดเดบงเจ้าของเป็นระยะระยะระยะไปไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นขอเตือนผู้เถาผู้แก้ขึ้นกันน่ะอย่าไปโกรธโมโหโทษโซเอาแต่ใจเจ้าของกระบอถือขึ้นกันนะั่นนะบ้าหาเถาแก่มาแล้วทำทาขยัน เห็นลูกเห็นล้านเขาเที่ยวเขาเหร่นต้องการทํางานเนี่ยทำทางว่าให้เขาบาดหาเจ้าของเป็นหน่อยเป็นนุ่มว่าสันขี่ขานให้ก็เขาตาเหลือมมเมาอยู่บ่ว่าวนออกไปมอเบิ่งเจ้าของอ่ะคันวันดึกนึกจอนหลังเบิ่งเจ้าของก็จะเห็นนี่แหะโอ้เจ้าของกูสมัยก่อนกูกะขี่ขานคือกันกับเขาดิล่ะเป็นบางข้างบางการแต่ว่าบางที่เพอเพอเขาอาจจะขยันก็กูอีกเนี่ยกันเลยขึ้นว่าจังสันเนี่เบี้ยติเสียแต่ว่าเขาขี่ขานอิริ เขาก็บอกเอ้ยสมัยกูเป็นหน่อยเป็นหนุ่มกูบกขีข้านขึ้นสูเดอร์กูเหตุการณ์เหตุงานให้รับผิดชอบเนียเก็บพร้อมรอมริบกูจึงตัง้งตนตัง้ตงตัวได้จังสี่อันนี้ก็คื อ, เ, อเป็นตัวย่างที่ดีของหลูกของหลานแต่ก็พร้อมกันกับผ้าเขาวัดเขาว่ารักษาศีลภาวนาหาหหนทางเจ้าของนะถึงจะสั่งฐานะดีป็นได้ก็ต่ำพนไปแต่พร้อม ก, กันก็ให ไหวพระสวดมนต์รักษาศีลภาวนาจากนั้นขันนั่งภาวนาต่อมบุญต่อมกุศลเขามาใส่จิตใส่ใจเคยคายกับว่าเข้าสางคุนงามความดีไหวพระสวดมนต์มองหันมองนิ่งเนอร์เข้าูุขาแก่เถ้าชะล่าแล้วสิเหตุคือเก่ากับว่าใดล่ะทำบุญทำท่านสางวัดว่ า, าศาสนาเหตุนําเขาบ่ใดล่ะเถ้าแก่และก็นั่งภาวนาต่อมบุญต่อมกุศลใส่กระเป๋าแล้วบันออกไป อใส่ยามใส่กระเป๋าลหละอีกสักหมือ่นกูสิกระโดดแหละบาทเตียงพันเออหาคนทางเจ้าของวันทั้คนทางเจ้าของคืออย่างคือตายแล้วถ้าแกมันจะไปใสเอมันมามีทางไปโดนไปถึงถึงจะขึ้นตัวขึ้นก็ตามเออมันต้องไปจังสัน่นวันทั้ไปพอนั้นเท่าต้องอาศัยศึกษาธรรมะแล้วเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจแล้วนั่นแหละคือตอมบุญตอมกุศลเขาใส่กระเป๋าเขาใส่จิตใจของเท่า จะเข้ากับกระโดดละบาดเลอกระโดดไปกับเงืนเต็มกระเป๋าอาา้าญาวนไปเกิดพบไรชาติใดก็มีแต่ความสุขความเจริญละบาดเลยพอเหตุใดเพราะคนมีบุญคนมีบุญไปใสมันดีทั้งหมดคือกันก็คนมีเงินวนไปอวันนี้หลวงพ่อได้บอาเสียยืดเน่าเพื่อเป็นแนวความคิดสําหรับลูกหลานออกตนญาติโยมเป็นวันสําคัญเป็นวันสงกรานต์วันเป็นวันปีใหม่หลูกหลานต้องอกตั้งใจเนะ้อ ตั้งตนไม้สางคุณงามความดีเอา้าต่อไปนี่อุทิศวนกุศลเวกเข้านะผู้ใดพอแม่ปูยาตายยายต่างก้นต่างอุทิศวนกุศลถึงผู้มีอุปการะคุณสำหรับพวกเข้าต่อไปนี่พระสงค์จะอนุโมทนาใหาพ้พร